เรื่องไหว้หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดยกเท้าถูกหญิงผู้กำลังไหว้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่19